สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย winner 99เอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณต้องได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่6กกันเลยครับสวัสดีครับคุณต้องสวัสดีครับพี่จ๊คครับผมคุณต้องตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนเธออยู่ที่บ้านครับอยู่ที่นนครับอยู่ที่นนทบุรีนะ ครับนะคุณต้องเราคุยกันทั้งหมดกี่ครั้งแล้วเนี่ยอนับไม่ถ้วนเลยใช่ไหมน่าจะหลายครั้งแล้วพี่มาบ่อยแล้วที่แจ็ช่วงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสะดวกว่างเมื่อไหร่ก็กริ๊งๆมาได้ตลอดถ้ามีเรื่องเล่านะครับเพรหลังจากบอกร้านไปนี่ลูกค้ามาจากในในในในแต่กอดเยอะเลยครับแล้วก็หลังตาคนก็แบบคุณต้องเอาเรื่องผมไปเล่าให้หน่อยอออยากกินมากเลยข้าวมันไก่น่ะ หลวงว่ามีโอกาสทานไปจะไปทานนะได้ครับอาจแร็์มาครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับถามก่อนว่าย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังน่าจะประมาณสี่ห้าปีราวๆนี้พี่สี่ห้าปีนะตอนนั้นไปรับเหมางานที่หนึ่งในทางภาคใต้ก็แล้วกันครับเป็นอาเป็นว่าเป็นเป็นเป็นเมืองชายทะเลครับผมขับนะขอเปลี่ยนผัดเป็นยังไงเชิญเลยฮะ อ่ะโอเคครับพี่แจ๊คต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนที่ไปทํางานที่เนี้ยนะครับผมได้เข้าไปสุนัยสุักตาโทษทีครับในสถานที่นะครับตั้งแต่เริ่มประชุมโปรเจกต์เลยครับอ่าครับก็ไปเห็นบ้านก็อเป็นบ้านต้องบอกว่าเป็นบ้านชายทะเลนะพี่คือติดทะเลเลยครับที่ค่อนข้างถ้าเทียบกับย่านน้ำนะพี่แจ๊ มันคือบ้านที่เด่นเกือบที่สุดแล้วเพราะว่ามีการออกแบบที่ค่อนข้างที่จะทันทสมัยพอสมควรนะครับก็คือมีอ่าประมาณสามชั้นแต่ว่า<ม>จะเป็นสามชันที่เปิดโล่งเลยไม่ได้แบบขึ้นชั้นหนึ่งแล้วเป็นบ ร, ริอวณชั้นหนึ่งนั้นแหละไม่ใช่คือเปิดโลง่งไปบริได้ขึ้นไปสามชั้นครับนะครับแล้วก็อ บริเวณบ้านเนี่ยก็จะมีลักษณะการอ่าเป็นทางเดินเข้าไปที่ตัวสระว่ายน้ํานะครับแล้วก็จะมีขาค้าวข้ามสระว่ายน้ําค่อนข้างที่จะเป็นบ้านที่ออกแบบได้ค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยนะครับแต่สภาพแน่นอนพี่น่าจะถูกทิ้งว้างมาพอสมควรแล้วนะครับก็เก่านะครับอ่ะผมคุยงานเสร็จนะครับก็ใช้เวลา ค่อนข้างเป็นเดือนเหมือนกันก็จะได้เข้าไปทํางานนะครับก็อบอกว่าผมเข้าไปแต่งฝาไว้น้ําให้เขาอืมนะครับก็คือรีโนเวทฝาไว้น้ําใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแต่ทีนี้นะครับ อ, อพอถึงวันเข้าทำงานเนี่ยผมได้พาทีงานเข้าไปอืมะรประมาณสี่ถึงห้าท่านประมาณนั้นนะครับช่างนะครับพี่แจ๊คแล้วทีนี้เนี่ยพอเราทํางานในวันแรกๆนะครับเ อ, อเด็กเนี่ยมาบ่นว่าเอฝา อือากาศมันร้อนมากเลยอกลางวันมันสู้ไม่ไหวนะนะฮะขอไปทํางานกลางคืนได้ไหมซึ่งปกติอ่ะทีมผมแนละพี่แจจะมีการขัดเปลี่ยนเวลาในการทํางานบ่อยๆในหลายๆสายงานครับอเพราะว่าหนึ่งเราเป็นงานดีไซน์ด้วยเราไม่ต้องการเสียงดังรบ ก, กวนจากทีมอื่นนะครับผมก็ได้ดาเนินการเลยไปคุยกับโปรเจกต์เดนเนอร์ที่ไซน์นะครับแล้วก็ขออนุญาตทํางานเลือกสตาตั้งแต่ประมาณหกโมงเย็นนะครับตีบเช้าเลย ประมาณปีสี่ปีห้ากันเลยนะครับที น, นี้นะครับอะสรุปทุกอย่างเราได้ทํางานในช่วงเวลากลางคืนตามใจทีม เ, เราครับนะครับทันนี้ต้องบอกก่อนว่าระหว่างที่เราทํางานเนี่ยนี่แจ็คก็จะมียามหนึ่งท่านนะครับเป็นคุณลุงนะครับเข้าอยู่ที่นั่นแค่หนึ่งคนนี่จะอยู่ในในนั้นแหละทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับเพราะว่าหน้าบ้านจะมีป้อม แต่ป้อมในค่อนข้างที่เป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆห้องแล้วก็มีที่ก็คือเป็นห้องที่ยามอยู่อาศัยได้เลยอะ่ะพี่นะครับตอนนี้คุณลุงท่านเนี้นะครับก็ได้พูดคือผมเป็นประจำนะครับผมก็พอช่วงที่ผัดมาทำกลางคืนนะฮะผมก็จะเข้าไซงาเนี่ยประมาณสองทุมทุกวันอืนะพี่ก็จะปล่อยช่างเข้าไปก่อนไปตามเข้าไปนะครับตาลุงนี่เขาก็พูดกับผมขึ้นมาอยู่ดีก็พูดขึ้นมาต่อผมว่าอ้าวพอหนุ่มช่วงทํากลางคืนัเนี่ย เจอแล้วมั้งนั่นแต่พักผมมาอยอางนี้แต่ตัวผมเองต้บอกก่อนว่านี่สายส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนข้างที่จะอารมณ์ดีมากๆพี่ตลกโปกฮาว่าอยันเถอะผมก็เลยบอกลุงเจออะไรลุงเออเห็นแต่ไม่เห็นมีอะไรลุงมันมีแต่เสียงจิ่งลงจิ้งลีดก็ปกติลุงอยู่ยันวันสุกร์ไงผมทํางานไม่เจอหรอกลุงผมมาเรามาทํางานเรามาเรามาด้วยความเคารพผอย่างนี้นะไม่เจออะไรหรอกผมพูดอย่างนี้ นะครับผมก็เดินข้าม ไ, ไฟฟ้าปกติแจ็คปาไปเจอผู้หญิงคนอืครับอเวลาเข้าไฟงานเนี่ยผมจะต้องเดินไปทางบ้านขวาของตัวบ้านครับเดินเลาะรูอะไรนะครับไปเจอปากกับผู้หญิงอีคนหนึ่งอือ่าเขาเด็กกำลับบงเดินออกมาผมก็ยิมให้สวัสดีครับไปเลยเนี้ยเขาก็ไม่พูดอะไรก็เดิน ห, าหน่านผมไปเฉยกันี่แจ็คอ่าเสร็จผมว่าร้องอ่ะไม่คิดอะไรอ่ะเลยไปหาลูกน้องแลยพี่สาบนะครับครับ ก็ถามว่าคุยกันไปการปกติผมก็าแซวลูกน้องเล่นคือทีมผมค่อนข้างที่จะที่จะอารมณ์ดีครับแต่แซวเล่นกันไปทํางานกันไปนะครับผมก็เลยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเมื่อกี้พี่เจอผู้หญิงวะ่ะ <c oughs> เจ อ, อเห็นกันไหมใครอะ <c oughs> เออน่ารักดีประมาณนี้นะพี่ลูกน้องก็ไม่มีนะป่าพวกผมอยู่ในไซต์กันเนี้ยเออไม่มีนะช่างเพราะว่าช่างช่างของท่านเขากลับเป็นตั้งแต่เย็นเย็นละครับคุกว เอาหรอไม่เห็นเนาะเอาสงสัยเป็นแม่บ้านนั่งทวงรื้อของเนะาะเพราะช่วงนั้นพี่แจ๊คเขาก็กําลังจะทําความสะอาดอะไรกันเรื่อยๆนะครับพี่เสร็จปั๊บเนี่ยเราทํางานกันได้น่าจะเข้าวันที่ห้าแล้วนะครับในการเข้ากะกลางคื น, นตัวเนี้ยฮะครับวันนั้นผมจําได้เลยผมออกมาจากไซต์ตอนประมาณสามทุ่มเพาว่าทีมน่ยอยู่ห้าวันผมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นไม่ต้องออกไปและแต่พี่ออกไปซื้อให้ครับนะครับผมก็เลยออกไป ออกไปข้างนอกไปซื้อข้าวซื้อน้ำตามปแปกต์ผมนะครับก็กลับเข้ามาอีกทีแน่ๆอย่างเดิประมาณสักสี่ทุ่มกว่ากว่าได้ครับพี่แกครับผมก็เดินกลับไปที่สายตาปกติก็เดินเข้าไปคุณลุงนี่เขาก็ไม่ไม่เจอคุณลุงยามละผมก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปปัา๊าพอถดินโวสระพี่แก๊ลูกน้องผมหายหมดเลยอสี่ห้าคนคมีแต่สปอร์ตไลท์สองสะแล้วก็ไม่มีคนมีแต่สะระต้องผมก็มันไปไหนกันวะ แต่ผมก็เอ๊ไปไหนกันผมก็เดินหาพี่มันไปไหนกันวาไปได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงยุ๊กย๊กคิดกันอยู่ที่หาดอืมอืมอ่าผมก็เลยเดินไปที่หาดนะครับสรุปลูกน้องผมมันไปอยู่รวมตัวกันบริเวณชายหาดหมดเลยเออผมก็เลยเฮ้ยทําอะไรกันอืถิ่งงานได้ไงจับมาทางานผมพูดนี้นะเออมันก็เลยกวักมือเรียกผมมาวันนวันนี้มันกวักมือเรียกผมนะมาเร็วมาเร็วมาเร็วผมก็อะไร มืงอะมาหนิขอโทครับพี่แจ๊คผมกเรื่องมึงอะมาเออมาทํางานอ่ามันก็แป๊บหนึ่งอะมันก็เดินกันเดินกันเดินกันมาหาผมที่ตัวบ้านนะครับเดินเข้ามาผมก็บอกว่าแล้วทิ้งงานกันแบบนี้ทำไมแล้วไปทําอะไรกันที่ชายหาดมันไม่ใช่เวลาไหมผมพูดนี้นะแต่มันงบอกว่ฮะผีลอกอือเออคนเนี้ยไอคนที่พูดแต่คีอน้องชายผมที่เก่งเนี่ยที่ไปเจอกับ ไปเจอกันที่เรื่องที่แล้วครับพี่ออนะครับเปลี่ยนก่าป้าผียอกออืแล้วก็ผียอกอะไรไหนเงาดิเขาบอกว่าระหว่างที่เขาทํางานกันอยู่พี่แจค๊คได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกนะครับอืเรียกเรียกช่างอะครับเรียกประมาณว่าเธอออืเธอออืออนะครับได้ยินเสียงมาจากบนชั้นสามของบ้านต้องบอกก่อนว่า บ, บนชั้นสามของตัวบ้านหลังเนี้ยจะเป็นเทเรสยื่นออกมาพี่แรับ อ่าเพื่อทำเป็นจากรุซี่เนาะนะอ่าครับและหน้าที่ของผมอะ่ะก็คือการไปประดับไฟบ้านนี้ก็พูดง่ายว่าผมเป็นอาร์ตดีไซน์นะครับผมเน่ยยังไม่ได้ไปทำงานที่ตัวบ้านผมทำสักก่อนนะครับคระ้นี้ลูกน้องผมไอ้เจ้าเอวยะเก่งไงครับมันก็สงสัยว่าเสียงใครนะก็พยายามมองหาเฮ้ยก็มีเสียงผี้นิดนึงเธ อ, อข้างบนเราอยู่ข้างบนประมาณนี้ครับ เก่งมันก็เลยเอามือป้องสปบอดไล่ครับอืมสะบอดไล่ที่สาดหน้ามันอยู่นะฮะพอป้องปุ๊บเก่งบอกว่าเห็นผู้หญิงยืนอยู่บนเทเลสชั้นสามะอย่างเงี้ยเอาเลยส่วนบนครับรเทเลส่วนบนนะพี่ครับแต่ไม่มีขามีแต่ข้างบนพี่ลอยลอยให้มันเห็นจากซ้ายไปขวาอจากซ้ายไปขวาแล้วก็วหัวเราะทีทีทีทีนะ ช่างเห็นแบบนั้นก็วิ่งเลยครับเพราะว่าช่างเนียเห็นทุกคนนะก็คอนเฟิร์มว่าเห็นกันทุกคนเห็นน้อยเห็นมากเห็นหมดนะครับวิ่งผิดถึงจึงได้เกิดเหตุการณ์พิงสระน้ําเนี่ยไปคือมาแค่ครึ่งตัวบนแล้วลอยไปใช่ใช่พี่ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยผมก็จะใส่พ้าที่คอผมประจําเลยจะมีสามองค์ที่ผมใส่ประจําครับผมก็เลยพูดออกมาติดสลกไป่แจ อฮ้ยพวกคไม่ต้องกลัวป่ามาแล้วออผมก็จับพระสั่งกุกกิ๊กกุ๊กกิ๊จริงที่ขอมาพี่คเฮ้ยไม่ต้องกลัวป่ามาละอืมเราทํางานกันต่ออืมมีพักผมพูดอย่าเงี้ยใส่พระอยู่แต่ปั๊บอ่ะโอเคเวลามันก็ทําให้เอ่าจิตใจสงบลงพี่แจ็คก็เลยเดินลงไปในสระน้ํากันทํางานต่อนะครับคราวนี้พี่แจ็คต้องคิดก่อนสากเนี่ยมันจิดจะตัวขับเฮาพี่พูดง่าย น้ามันจะล้อมขับเอาไว้อือมอะแล้วตัวสระที่ผมทํำไปเนี่ยเป็นสระตัวลึกครับซึ่งความลึกสูงจุดประมาณสองเมตรพี่แจ๊คครับนะครับผมก็ทาํางานกันอยู่พี่ทีเนี้ยนานเท่าไหร่แล้วเวลาตอนไหนผมไม่ทราบเลยนะพีม่ ม, มันเริ่มมีเสียงละทีเนี้ยผมเริ่มได้ยินผมเชื่อว่าทุกคนก็ได้ยินนะครับครับมันเป็นเสียงแบบอย่างเงี้ยจะเป็นหญิงนะออื เพิ่มเหมือนแบบไม่ค่อยพอใจอรือเปลผมก็หันมองหน้ากันทีเนี้ยคนสี่ห้าหกคนหันมองหน้ากันในสระก็หลับผมก็พูดว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแม่ใใจ่ายก็คิดนะว่า อ, อผมมาทํา ง, งานผมคิดตลอดผมมาทํา ง, งานผมมาทํา ง, งานออเสร็จปั๊บเนี่ยที่แรกทีเนี้ยมันก็มีเสียงทีงนี้เป็นเสียงหัวล้อเสียงหัวล้อลอยมาตามลมพี่ทีเนี้ยเราก็ช่าง ข้างผมมาขวัญเสียอยู่แล้วใช่ไหมะตัวผมเองก็เริ่มละเฮ้ยเสียงนี้แบบมันมันมันเย็นแปลกๆนะแล้วมันจะเสียงหัวเราะที่แบบมันมาเป็นคลื่นความถี่แปลกๆที่แบบเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังอย่างเงี้ยพี่ครับเออเส็จปุ๊บแจ๊กกว่าผมผมพยายามปกผมกำลังเงี่ยหูฟังแฟนตั้งใจฟังอ่ะไฟกระบอกไลท์ผมดับเพอือซึ่งมันไม่มันไม่ดับง่ายๆในไฟกระบอกไลท์ที่ผมใช้มันสองร้อวัตต์เลยี่แจ๊กสองสาะครับ เออใช่ปั๊บพอทุกอย่างมันดับปุ๊บคนนั้นพี่แจเราตาเรามันตับไม่ทันเนี่ยมันปุน๊บเลยนะครับแล้วมีเสียงของล่นอยู่ในขับเท้าโอม oh. อ๋อฮะขับเท้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นตู้มันเป็นอันนี้คืกระจกเป็นห้องกระจกครับก็คือห้องกระจกใสเลยที่ข้างในก็มีแค่วัสดุก่อสร้างอะไรที่เขาประหยัดจะมาวางวางว า, งวางเอาไว้ครั บ, รบนะครับนคนนี้พี่ พอสักพักหนึ่งอะสายตาเราเริ่มปรับไดนะ้ครับมันก็จะเห็นบริเวณบริเวณนั้นนะมันไม่ได้มเบลอขนาด น, นั้นนะเพียงแต่ว่าเราจะมองเห็นภายในห้องนะคันเนี้ยภายในห้องไอ้ขับเขาเนี่ยพราะกับอ่าย ต, ตาปรับได้ใช่ไหมครับปับนะมีเสียงวัสดุหลนเสร็จมีเสียงผู้หญิงครับอ <c oughs> อืทุกคนหันไปมองพร้อมกันพี่แจ็คภาพที่เห็นนะพี่เป็นผู้หญิงครับเปบยทั้นบนออื ค่อยๆลอยมาติดกระจกพี่แจ๊คลอยมาจากด้นานในนะค่อยลอยมาติดกระจกเหมือนภาพมัค่อยๆมาจากความมืดแล้วมาค่อยสว่างเรื่อยๆก็จะน่ะครับครับวบเข้ามาพี่พอเห็นปั๊บทุกคนน้องช็อกอ๋อคือช็อกก่อนพี่จ้องเขาอยู่นะครับแล้วตอนนี้หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีที่แตกมเลยครับแล้วคือในพิธีคิดดูสระสูงสองคุ้สองเมตรอ่ะครับ แล้วผมอ้ ว, ด ว, ดวดนอ้ะผมช้าสุดเลยพี่ <c oughs> ผมก็จะเต้นสาได้ใช่ไหมาอ <c oughs> ้ลูกหมอว่าจะวิ่งผมก็เฮ้ยมาช่วยกูกร <c oughs> ันมันดึงกูขึ้นไกคอนคือแบบแล้วก็วิ่งกัน <c oughs> แทนที่จะวิ่งออกวิ่งไปที่หาดพี่แจ๊ค <c oughs> แล้วแบบคือไปกองมันอยู่ที่หาดแล้วก็แบบไอ้เก่งก็พูดเชืออย่าง่าเชื อ, อย่างอันนี้ <c oughs> เห็นขนาดเมื่ี้เห็นไหมเห็นที่แบบหูชักขนาดนั้นพี่แจ๊ <c oughs> เออหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาไฮดีดยัง ไม่ทำละงานเรากลับกันดีกว่าผมต้องยอมเดินเลาะริมหาไปออกอีกทางหนึ่งพี่เป็นกิโลพี่นะครับแล้วก็กลับที่พักนครับเช้ามานี่นะเช้ามาประมาณสักสายๆายสิเ็ดโมงประมาณเนี้ยผมก็ตื่นมาเลยผมก็วิ่งเข้าไซส์เลยนะครับแล้วก็ไปเรียกคุณกิมยานลุงผมถามได้หน่อยดิเมื่อคืนน่ะผมจะเงี้อย่างเงี้ยที่ผมไลา์พี่แจ๊กฟังเนี้ย มีไรก็ลุงลุงแกก็บอกมาองนี้พี่เขาบอกว่าโอ้ยพรนุมที่ตรงเนี้ยเป็นที่เจ้าเมื่อก่อนเนี้ยคนก็มักจะยิงกันตายฆ่ากันตายนะพี่แล้วก็จะมาตกมาทิ้งเนี่ที่บริเวณบริเวณเวณนี้ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยบริเวณเนี้ยมันเป็นที่รกว้าเป็นหาดร้างนะครับมันไม่ใช่แบบที่ที่คนจะเข้าถึงได้ง่ายๆนะครับแล้วบ้านหลังเนี้ยเป็นเจ้าของมาห้าเจ้า อืครับ <S <S ซึ่งผมก็มเขาก็ไม่ได้เล่านะว่ามีใครตาย้ะแต่เขาบอกว่ า, าแต่เหตุแต่เหตุตฐฐัตกรรมอ่ะลุงก็บอกว่าลุงก็ไม่รู้นะว่ามีอะไรแต่ที่รู้รพอช่างทุกคนกลับพอตกดึกลุงจะไม่เดินเข้าไปตรวจ ต, ตัวบ้านเพราะว่าลุงเคยเห็นผู้หญิงคนนี้นนบ่อยๆครับเออ คือตั้งแต่คําถามแรกที่ลุงเขาถามแล้วอ่ะเจออะไรบ้างไหมอ่ะเมื่อคืนอ่ะใช่พี่เรื่องนี้มันแบบมันแบบมันเป็นโหตอนนั้นผมคิดถึงบ้านสีกรอบล้ววิ่งหนีีกันในช่วงเวลาแบบตีสามอย่างเงี้ยพี่คือแล้วก็แบบพอเราทํางานจบตรงนั้นนะพี่ก็จะเป็นทีมที่เป็นทีมสระกันเนี้ยครับเก็บรายละเอียดนะครับเป็นทีมที่เขาทำสระแบบเป็นทีมพิเศนะครับ เขาก็เข้าไปหาแล้วผมสนิทอยู่กับพี่คนหนึ่งชื่อพี่กบครับครับอ่าตอนเนี้ยผมออกจากสายไปละออกจากสายไปละแล้วไปทํางานคับที่ที่อื่นต่อครับครับพี่กบโทรมาต้องตอนทํางานเนี้ยพีมเจอเอะไรบ้างไหมอืมผมว่าเอาก็ไม่มีอะไรพี่ไม่เจออะไรนี่ผมก็พูดนะครับเขาบอกมึงมาโกหกเลยเมื่อคืนกูก็เจอเราก็เลยถามว่าแต่พี่พี่กบเจอไงครับแ้วบอกว่าเนี่ย ที่ก็เล่นงานเนาะก็ทํางันดมดึกเลยนะครับแต่บอกว่าดูดีอ่ะไฟแม่งดับออืเออเรามีผู้หญิงเนี่ยเปื้อยทั้งวนเหมือนเราเลยใช่นีแค่คึ้นตัวเดินจากไอ้ตรงทางทอดจากที่บ้านมาที่ฝาครับโอ้โหต้องวงแตกเลยที่กบฮะงั้นพี่ผิบผมบอกโอ้โหพี่เจอเหมือนกันออืผมบอกว่าน่ะเป็นลักษณะคล้ายกันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนเนี้ย โอ้ยมันเสรพน้าแล้วพี่แจ็คเปิดบริการม้าน้าแล้วพี่นะครับที่นี่แล้วผมก็ได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะพี่แจ็คสนใจผมให้ได้นะไม่เป็นไรไปพักเองสิผมจะไปจะไมแล้ววาจะไปทําไมแล้วเดี๋ยวนะที่นี่มันเป็นลักษณะของโรงแรมไม่ใช่โรงแรมพี่แจ็คเป็นไ r i v a t e ู o ว l v i l l ครับอืมโอเคนึกภาพออกเป็นลักษณะบ้านที่มีสระน้ํามีจากรุชี่ เป็นห้องพักแบบระดับดูหรูหราหน่อยเป็นคืนเป็นแสนเฮ้ยมันต้องมีมันต้องมีครับมีแน่นอนมันต้องมีอะไรบางอย่างเบื้องลึกเบื้องหลังเพ้อเผอนะคุณลุงอ่ะรู้ครับแต่คุณลุงเขาไม่พูดเขารู้พี่เขาอแล้เขาก็เห็นเห็นจนเขาไม่อยากไปเพราะเขาเห็นทุกคืนครับครับ อ๋อเละอย่างคือมันเป็นที่แบบนั้นนะถ้าเรานึกภาพตามกันอะเรื่องของคดีฆาตกรรมอาจจะเป็นอถ้าเราเคยได้ยินกันมาก็ต่างชาติพาผู้หญิงไปฆ่าหันศพอะไรประมาณเนี้ยอ่ะมันต้องมันต้องมีประมาณเนี้ยมันเออแค่คิดเฉยคุณผู้ฟังมันอาจจะไม่ใช่เกิดขึ้นจริงก็ได้ผมแค่คิดจินตนาการไปเล่นว่าถ้ามันจะมีเหตุการณ์ไหนที่มันใกล้เคียงกับสิ่งที่ตัวคุณต้องและคนอื่นๆเจอเนี่ย ก็น่าจะเป็นลักษณะประมาณเนี้ยใช่ดูเพราะเป็นลักษณะที่ผมว่าตั้งใจมาหลอกเลยนะครับคือแล้วเรื่องในพี่แจ็มันไม่ใช่เรื่องที่โอเคเจอผีแบบจังๆเลยนะพี่ครับแต่มันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตผมนะอันนี้คือเจอันแบบเยอะๆผมถือว่าไอผู้หญิงมาลอยมาครึ่งตัวยังไม่น่ากลัวอีกเหรอยังพี่แจคมันมีการ์ตูนที่แบบมันเป็นเรื่องที่ทําให้ผมเนี่ยออจําจน จำจนตายแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเดี๋ยที่ผมเคยเกิดไว้ว่าเป็นอีกสองเรื่องครับเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ทําให้ผมเนี่ยเชื่อเรื่องอีการเชื่อเรื่องสีเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่ผมเป็นทําให้ผมไม่เคยจำและอาจจะเป็นเรื่องที่เปิดโสดผมเลยก็ได้ว่าผมเจอประจามพ์่แจแม้กระทั่งต่อเล่าเมื่อกี้ก็เจออ๋อเหรอใช่เอาสั้นๆเลยพี่อ่าสั้นๆนะเพราะว่าจะมีอีกสองเรื่องนะสั้นสั้นมากพี่แจ๊คเมื่อกี้ ก่อนผมคือผมอะสแตนบายรอจะเล่าอะพี่ผมก็อยู่ที่บ้านผมนี่แหละแต่บ้านผมมันเป็นทาวน์โฮมสังขชั้นพี่แจ๊คผมก็จะออกมาสู่บรี่วณหน้าบ้านเอช่วงจังหวะที่คุณวาเล่าใกล้จบะผมก็เดินมาที่รถเพื่อจะมาเล่าในรถเพราะว่าเาในรถมันมีสมาธิดีครับบ้านตอนเนี้ยบ้านที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยนะครับยังไม่มีคนซื้อนะครับเป็นบ้านที่อยู่ทางสามแพ่งพอดีครับผมเห็นคนเดินอยู่คนหึังคาบ้าน หลังคาบ้านเนาะหลังคาชั้นล<อ>่างนี่ผมก็ต้องอยู่นะแต่เมื่อกี้แกแบบวืบเหมืนอนเขาเดินวืบไปแล้วก็ผมก็แบบรถเข้ามาเ่าเนี่ยฮะเออเหมือนเป็นประจามพีแรแจ๊คตุ๊กิ๊กตุ๊พี่ครับแสดงว่าเอ้ยเหตุการณ์ที่เมื่อกี้คุณต้องเกิดมาเอ้ยน่าสนใจวันไหนก็ได้คุณต้องสะดวกวันไหนคุณต้องดูจังหวะไทม์ไลน์ตามเวลาได้เลยว่าเอ้ยจะปล่อยเรื่องไหนมา เออนะครับแต่ส่วนรถน่ะคุณต้องเก็บไว้นะเก็บเก็บเก็บไว้ใช้ครัเผื่อว่างๆเอ้ยไปลองพักดูอะไรอย่างเงี้ยส่วนรถนี่ยังไงฮะห้าสิบปอร์เซ็นย่างงี้ป่ะโอ้โหเยอะไปเยอะไปฮะเขาขายหลักขาผมได้ราคาเหมือนต้นต้นอ่ะโอ้ยไม่เอาแล้วอ่ะคือเห็นราคาแล้วแบบแบบไม่ไปอ่ะพี่เดี๋ยวเขาต้องมาทัก เออเจอคนลอยครึ่งตัวมาผมถ้าเป็นผมผมคงตายอยู่ตรงนั้นนะครับเรถรถซะเยอะเชียวครับแจคว่ารถเสียก็ซ่อมให้เสร็จเราระวังแม็กด้วยพี่ไม่มีไม่เอาสิเสร็จแล้วรถผมอะเสร็จแล้วนะครับรถผมไม่มีอะไรครับผมผมมั่นใจรถผมมากขอบคุณมากคุณต้องเดี๋ยวว่างๆเลยกินข้าวมันไก่นะได้ครับขอบพรบคุณครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืมซั s c ไคร e c h ANNEL THE g o a t RADIO OFFICIAL กันด้วยนะครับ